สวัสดีค่ะเมื่อเราได้รู้กันแล้วว่าการเกิดมาของมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรต่อจากนี้ไปทางสายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะก็จะขอจัดหัวข้อที่สามขึ้นมาคือรูปแบบของการเกิดการเกิด ของมนุษย์เรานั้นแยกออกมาเป็นสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่ากรรมลิขิตกรรมลิขิตก็คือผลของการกระทาของดวงจิตนั้นๆที่กระทาไปแล้วในอดีตการก่อนจะเป็นตัวมาลิคิตชีวิตของตนและเฉตาชีวิตของดวงจิตนั้น ก็จะต้องเป็นไปตามผลของการกระทาโดยมีเจ้าเกณฑ์ชะตาชีวิตเป็นผู้ลิขิตให้ว่าคุณจะต้องไปเกิดเป็นแบบไหนชดใช้กรรมอะไรและเป็นผู้แต่งนิยายเรื่องราวชีวิตของคุณเพื่อชดใช้หนี้กรรมที่คุณได้ทำมาในการก่อนนั่น ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มาเพื่อชดใช้นี่และสร้างบุญใหม่เพื่อไปลบล้างมีจกรรมเก่านั้นและได้ชดใช้กรรมนั้นๆตามเกตชะตาชีวิตของคนผู้นั้นและรูปแบบที่สองก็จะแยกออกไปเป็นในรูปแบบของบุญลิขิตผู้ที่บุญลิขิตก็เช่นดังว่า เป็นเทพเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเป็นเทพที่อยู่ทางโลกบาดานแต่ตั้งใจอธิษฐานขึ้นมาเพื่อสร้างบุญบรารมีสร้างคุณงามความดีไปค้ำหนุนดวงจิตของตนเพื่อให้สูงยิ่งขึ้นไปโดยจะมีการเลิกเหตุชีวิตของตน เช่นจะเขียนเลือกว่าฉันจะไปเกิดในรูปแบบไหนต้องเผชิญกับอะไรและมีอะไรคือบททดสอบฉันบ้างต้องเผชิญพดพบเจอกับอะไรเพื่อให้ดวงจิตของฉันได้ทดสอบความดีได้ทดสอบจิตทดสอบกำลังบารมีและได้สร้างสมบุญบารมี เพื่อให้เลื่อนภูมิเจตจากหน้าขึ้นไปเป็นเทพหรือเทพขึ้นไปหาความหลุดพ้นเช่นเดียวกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหรือเหล่าพระอารหาันต์พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าที่ลงมาเกิดเพื่อหาความหลุดพ้นในกายของมนุษย์ และสิ่งที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตของแต่ละดวงจิตนั้นก็คือบททดสอบเพื่อให้ตนนั้นได้ผ่านการทดสอบเข้าไปสู่การเก็บบา ร, รมีสร้างสมบุญบา ร, รมีเลื่อนไปสู่สภาวธรรมที่สูงกว่าที่เป็นอยู่จึงสามารถที่จะเลือกได้ว่าฉันจะเล่นเกมในแบบไหน จะทํายังไงเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในรอบของการมาสร้างบุญสร้างบารมีนั่นจึงจัดอยู่ในกลุ่มของบุญลิขิตบนโลกมนุษย์ของเรานี้ก็มีทั้งในรูปแบบของกรรมลิขิตและบุญลิขิตมีผู้ที่ต้องมาชดใช้กรรมตา ม, ตามการกระทําในอดีตการก่อนและมีผู้ที่มาสอบ บารมีเพื่อเลื่อนสู่สภาวธรรมที่สูงกว่าที่เป็นอยู่และไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามสรุปแล้วก็เหมือนกันกับหัวข้อมเมื่อกี้ก็คือทุกคนมีหน้าที่เพื่อทําให้ดวงจิตของตนนั้นสูงกว่าที่เป็นอยู่หากเป็นนี่กรรมอยู่ก็มาเพื่อลบล้างนี่กรรมเลื่อนจากการเป็นนี่ เข้าสู่การหลุดหนี้และเก็บเกี่ยวแต้มคะแนนบุญหากว่ามีบุญอยู่แล้วก็มาเพื่อสร้างสมให้เลื่อนให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือรูปแบบของการเกิดและตัวคุณเองจะเป็นแบบไหนจะเป็นอยู่ในรูปแบบใดก็ให้มาฟังกันต่อในหัวข้อที่สี่นะจ๊ะ